หมายเหตุผู้อ่านก่อนจบสิ้งอ่านหนังสือเล่มนี้ขอฝากข้อคิดไว้สักเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับคำสอนครูบาอาจารย์สายปฏิบัติหลายท่านในหลายเรื่องอยากให้เข้าใจก่อนว่าบางครั้งท่านอธิบายในภาษาของท่านซึ่งมีความหมายมีนัยยะไปในทางที่ท่านมุ่งเน้นกับการปฏิบัติที่ท่านผ่านมาหรือสอนคนที่อยู่เฉพาะหน้าหรือสิทธิ์ของท่าน หลายคำจึงอาจไม่ได้หมายถึงตรงตัวไปสัทีเดียวนะครับบางท่านก็อธิบายสับไปในความหมายเฉพาะตัวที่อาจจะผิดไปกับหลักทั่วไปสําหรับคนที่ติดตํารายกตัวอย่างที่เห็นในงานนะครับเช่นคําว่าวิญญาณที่ตามสับคือหนึ่งในขันห้านั้นแต่เมื่อพูดกับชาวบ้านทั่วไปก็คงไม่ได้หมายถึงความหมายนั้นแต่เป็นความหมายที่ชาวบ้านมักเรียกผีเทวดาว่าเป็นวิญญาณ เป็นการอนุโลมการสื่อสารให้เข้าใจกันในระดับของคนทั่วไปเท่านั้นนี่แค่ตัวอย่างนะครับบางครั้งการอธิบายการปฏิบัติท่านเน้นการพ้นทุกข์การภาวนาเป็นหลักไม่ได้ไปศึกษาละเอียดมนนักบาลีทั้งหลายท่านก็อาจจะพูดคำที่อธิบายไม่ตรงกับรากศัพท์สัทีเดียวเหมือนคนเดินทางไปที่ไหนสักแห่งอธิบายทางไปได้ถูกแต่อาจจะบอกชื่อภูเขาถนนที่ผ่านมาไม่ตรงสัทีเดียว แต่ถ้าทําตามท่านเดินตามท่านก็สามารถไปถึงถูกที่ได้เช่นกันนะครับบางคนติดแค่คําบางคําแค่จุดที่ไม่สําคัญแต่ก็เอามาเป็นประเด็นเอามาติดใจเอามาคัดค้านสุดท้ายก็ไม่สิ้นสงสัยก็ไม่พ้นทุกสักทีสําหรับคนที่ศึกษาปฏิบัติจริงก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับว่าคําสอนครูบาอาจารย์แม้แต่พุทธวจนะเองนั้นและแต่ละคํานั้น ท่านหมายถึงอะไรแค่ไหนเหมาะกับใครยกเว้นหลักอภิธรรมซึ่งเป็นธรรมะขั้นสูงสุดเป็นหลักธรรมแท้แต่คําสอนเช่นในพระสูตรนั้น ย, ยักยืงไปต่างกันและคําเดียวกันอาจมีความหมายต่างกันได้ในแต่ละประโยคสถานที่ผู้คนการเวลาตัวอย่างเช่นคําว่าสังขารหรือแม้แต่คําว่าธรรมะก็เช่นกันให้สังเกตนะครับว่า ถ้าอยู่ในแต่ละที่จะหมายความได้ต่างกันมากมายผู้มีปัญญาต้องรอบคอบศึกษาให้ละเอียดจริงและปฏิบัติให้ได้ระดับหนึ่งก่อนด้วยเท่านั้นถึงจะเข้าใจคำสอนได้ตรงทางเราไม่อาจรู้ว่าเราถึงระดับไหนได้พอหรือยังก็ต้องวางใจเป็นกลางอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนปฏิเสธน้อมเข้ามาพิจารณาให้ถี่ถ้วนเทียบเคียงทั้งสามปิดกและอยู่ในหลักที่ทรงสอนไว้ว่าสิ่งที่ทานั้น ทำให้กุศลเจริญอกุศลเสื่อมนำมาซึ่งการละความยึดมั่นถือมั่นในกายใจนี้ได้หรือไม่เป็นข้อปฏิบัติที่อยู่ในมรรคแดหรือไม่เป็นต้นถ้าผิดจากหลักเหล่านี้ก็ไม่ควรยึดคำเหล่านั้นมาปฏิบัตินะครับสำหรับคำสอนของหลวงพ่อเปลี่ยนนั้นผู้อ่านเองพบความมหัศจรรย์ในคาสอนมากมายที่ท่านสอนเรียบง่ายและนาไปใช้งานได้จริง ละไม่ได้ผิดหลักธรรมจากพระไตรปิฎกแต่อย่างใดนะครับนับเป็นครูบาอาจารย์ที่หาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบันการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเรียนพระไตรปิฎกจดจําได้หมดแต่ไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์แต่การปฏิบัติให้ได้ระดับหนึ่งก่อนด้วยจะทําให้เข้าใจพระไตรปิฎกได้ลึกซึ้งมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะครับในส่วนคําสอนชุดนี้ผู้อ่านเห็นคําสอนหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ และเห็นว่าถ้าไม่อธิบายเสริมอาจจะทำให้คนรุ่นหลังเข้าใจผิดได้ซึ่งถือเป็นภัยใหญ่เพราะขัดแย้งกับคำสอนหลักของพุทธศาสนามากนะครับคือคำที่ว่าควบคุมจิตถ้าจิตเป็นของเราต้องควบคุมได้สิอะไรประมาณนี้นะครับให้เข้าใจด้วยว่าท่านใช้คำว่าควบคุมจิตได้ไม่ได้หมายความว่าจิตจะควบคุมได้จริงๆแต่เป็นลักษณะาการกาหนดสติ มีสติกำกับจิตไม่ให้ส่งออกนอกไม่ให้กิเลสความทุกข์เข้ามาคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวให้ได้ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการทำจิตให้นิ่งหรือที่เรียกว่าสมถกรรมฐานโดยใช้ลมหายใจเป็นตัวยึดจิตไว้ให้สงบทั้งนี้คำสอนนั้นเราต้องยากให้ออกนะครับว่าท่านมาจึงแค่ไหนเพราะหลักสำคัญของศาสนาพุทธคือจิตเป็นไตรลักษ เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้แล้วเราภาวนาจุดประสงค์ก็เพื่อให้เห็นความเป็นตรายักษ์ของจิตจิตนี้เขาเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเรานี่คือความเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เราบังคับให้จิตสงบไม่ได้แต่เราใช้กุศโลบายเพื่อประคองจิตให้สงบได้โดยหลวงพ่อเปลี่ยนท่านใช้คาว่าควบคุม ซึ่งก็คือเทคนิคต่างๆที่เอามาทำให้จิตสงบคำนี้เราอาจใช้คำว่าดูแลก็ได้นะครับถ้าหากจะไม่ให้สับสนกับหลักที่จิต บ, บังคับควบคุมไม่ได้เช่นเมื่อเกิดนิวรณ์ต่างๆก็ต้องดูแลจิตให้เขาสงบไม่ฟุ้งซ่าลงด้วยการพิจารณาต่างๆหรือการมีสติอยู่ที่ปลายจมูกเป็นต้นซึ่งจะมีผลให้จิตสงบลงได้โดยธรรมชาติโดยปราศจากการบังคับให้สงบ นี่เป็นแค่ตัวอย่างของการใช้คำที่อาจมีความหมายเชิงลึกต่างกันไปซึ่งบางทีภาษาไทยและภาษาในแต่ละยุคสมัยนั้นอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนกันได้หรือไม่ได้ตรงกันในความหมายแท้ที่ต้องการสักทีเดียวนะครับจึงอาจทําให้นักศึกษาที่บ้าตำราหรือพวกขี้สงสัยพยายามคุยแค่จุดเล็กน้อยพวกนี้มาเป็นประเด็นเพื่อจะเลือกเชื่อไม่เชื่อหรือกลายเป็นเข้าใจผิดหรือมองคําสอนครูบาอาจารย์ผิดไปจากความจริงได้ ที่ท่านว่าถ้าจิตเป็นของเราต้องควบคุมได้สิพระในระดับที่ภาวนาจนจิตผู้รู้ตื่นแล้วเนี่ยท่านไม่เห็นจิตเป็นของเราหรอกนะครับผู้อ่านเองรู้ตัวดีว่ายังห่างไกลกับท่านมากแต่ก็มั่นใจว่าเข้าใจเรื่องจิตผู้รู้ตื่นเป็นอย่างไรก็เพราะมีประสบการณ์ตรงมาตั้งแต่เด็กหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ครั้งยังพูดไม่ได้ด้วยซ้ำํำคือเห็นจริงๆว่าจิตเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นอีกสิ่งหนึ่งต่างหากจริงๆ เป็นตังหากจากผู้รู้ที่ปรากฏอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กนะครับก็เห็นตัวเองร้องไห้บอกรักแม่และทําอะไรต่างๆมันเป็นอีกสิ่งที่เฝ้าดูโดยบังคับเขาไม่ได้จริงๆเขาจะร้องไห้ก็เพราะมีเหตุให้ร้องเขาจะดีใจหัวเราะเขาก็มีเหตุของเขาหลวงพ่อพุทธท่านเรียกว่าจิตอิสระซึ่งเรื่องพวกเนี้ยอย่าเผลอไปคุยกับหมอจิตเวชนะครับเกือบร้อยทั้งร้อยเขาจะหาว่าเราบ้าแล้วจ่ายยามาให้กินแน่นอน ผูอ่านเองก็เจอมาแล้วคนไม่ภาวนาไม่ศึกษาธรรมะให้จริงจังเนี่ยเขาแยกไม่ออกหรอกครับว่าคนบ้ากับคนเจริญสติจนจิตผู้รู้ตื่นได้นั้นมันต่างกันยังไงแต่กรณีของผมเนี่ยน่าจะเป็นของติดมาจากชาติก่อนนะครับเห็นตัวเองตั้งแต่ยังเป็นทารกอยากพูดก็พูดไม่ได้กลายเป็นร้องอูแวอูแวแหกปากลั่นเลยแล้วก็เห็นจิตเนี่ยทางานเป็นตังหากเห็นบ่อยในช่วงยังเด็กนะครับก็สงสัยมาตลอด แต่โชคร้ายที่ไปเกิดในบ้านที่นับถือศาสนาอื่นไม่ได้เป็นพุทธโดยกำเนิดนะครับก็เลยเก็บแค่ความสงสัยไว้ตลอดมาแล้วก็เข้าใจตอนโตแล้วว่าคืออะไรเลยทําให้คิดว่าเข้าใจคาสอนเรื่องการเจริญสติด้วยเห็นกับตัวเองมาจริงๆว่าจิตผู้รู้ที่ตื่นแล้วแยกออกมาเห็นจิตนี้ไม่ใช่เราจริงๆ บ, งบังคับไม่ได้จริงๆแต่กิเลสเป็นยางเหนียวที่เกาะจิตมันก็ยากจะถอนนะครับก็ต้องใช้เวลา แถมกว่าจะโตสะสมวิบากไปอีกไม่รู้เท่าไรกว่าจะมาเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ในระดับหนึ่งก็สะสมวิบากมาไม่รู้เท่าไรก็ต้องเพียรพยายามกันต่อไปเรื่องจิตเป็นอนัตตาเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าคนเรามีจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกอยู่ภายในและทำงานเองโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่ฟังอยู่ในระดับลึกอนัตตาที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด คือร่างกายนี้ทำงานเองบังคับไม่ได้เช่นการย่อยอาหารการเผาผลาญการเต้นของหัวใจการเจริญเติบโตความเสื่อมของร่างกายเป็นต้นจะทำงานของมันเองตามอัตโนมัติจะไปสั่งว่าใจอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้แต่มันจะเป็นไปเองทำงานเองตามเหตุปัจจัยที่สอดคล้องกันนะครับโดยวิบากในระดับลึกก็คือตัณหาความอยาก ที่เป็นพลังยิ่งใหญ่ให้เกิดร่างกายเกิดเป็นภพภูมิตัวอย่างเช่นปราบไดยังมีความต้องการกินอยากกินมันก็ต้องมีร่างกายมาเพื่อกินต้องมีระบบย่อยและจะได้สภาพร่างกายแบบไหนได้พบที่อยู่แบบไหนก็อยู่ที่สะสมข้อมูลดีไว้ให้กับจิตอิสระนี้อย่างไรอยากมีอยากเป็นไม่อยากได้สิ่งนั้นไม่อยากได้สิ่งนี้ซึ่งล้วนแต่เป็นตัณหาความอยากทั้งนั้นนะครับ เป็นข้อมูลที่ฝังในจิตและสืบต่อสร้างภพสร้างชาติสร้างตัวสร้างตนต่อไปได้ไม่รู้จบเป็นการสรุปคร่าวๆในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเข้าใจจุดนี้ได้จริงจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับว่าเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนและยังอยู่ควรจะทำอะไรการทำสมถะวิปัสนาทำไปเพื่ออะไรนิพพานคืออะไรทาไมการบรรลุธรรมจึงเรียกว่าการรู้แจ้งรู้แจ้งอะไร รู้ละละความยึดความอยากเป็นไม่อยากเป็นสู่ความเป็นกลางได้เพื่อให้จิตที่คิดว่าเป็นเรานี้ได้ข้อมูลเพื่อให้เขารู้แจ้งและหยุดสร้างภพชาติหยุดเกาะเกี่ยวซึ่งกันจนไม่ต้องสร้างร่างกายหรือนำไปเกิดใหม่อีกได้อย่างไรจิตนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้แต่สะสมข้อมูลได้นะครับถ้าเราไม่เจริญสติขาดสติ เราก็เผลอไปผสมกับจิตนี้จนลืมตัวไปว่าไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันและไปสุขไปทุกข์กับเขาเกิดการยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจนี้เป็นเราเป็นของเราทมสมถะหรือสมาธิก็เพื่อให้จิตมีกำลังจิตที่ไม่สงบจะเห็นความจริงไม่ได้นะครับพอจิตมีกำลังสงบดีแล้วจึงเลื่อนสู่วิปัสสนา คือการพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในกายใจนี้การเข้าถึงธรรมะในเบื้องต้นต้องให้จิตผู้รู้ตื่นมาเห็นไตรลักษณ์ประดับต้นนี้ให้ได้ก่อนไม่อย่างนั้นก็จะไม่เห็นความจริงและจะถอนจากอุปาทานไม่ได้เลยคงเคยประสบกันมาบ้างนะครับโดยเฉพาะคนตั้งใจทำความดีตั้งใจอยู่ในศีลในธรรมจะพบว่าอยู่ดีๆจิตจะนึกลบหลูด่าทอของสูงขึ้นมา แบบน่าตกใจเลยทีเดียวโดยที่ตัวเราเองก็ไม่ได้อยากด่าอยากทาและก็ทุกข์ใจกลัวบาปนี่คือตัวอย่างหนึ่งของสภาวะจิตเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นต่างหากจากเราเราบังคับเขาไม่ได้แต่ให้ข้อมูลได้กรณีแบบนี้ก็แค่ตั้งสติรู้ทันว่าจิตกําลังคิดดูจิตที่กําลังคิดว่าจิตเขาคิดของเขาเราไม่เกี่ยวไม่ใช่เรา ไม่ต้องไปพยายามหาเหตุผลว่าทำไมเขาจึงคิดแต่ให้มีสติรู้ว่าเขาคิดของเขาเองดูจิตที่กําลังคิดเมื่อเกิดสติขึ้นจริงความคิดนั้นก็จะหายไปไม่ต่างจากกลุ่มควันที่ลอยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้มีสาระอะไรและไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับถ้าเกิดขึ้นอีกก็มีสติรู้ทันอีกแค่ดูแค่รู้เฉยๆกลับกันนะครับ ถ้าพยายามบังคับว่าจงอย่าคิดห้ามคิดหรือเอาอารมณ์อื่นมากลบให้ลืมเรื่องนี้ไม่นานมันก็จะกลับมาใหม่เป็นการปิดไว้ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นถ้าทำบ่อยๆเข้าดีไม่ดีจะเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดอย่างร้ายแรงว่าจิตนี้เป็นของเราความคิดนี้เป็นของเราเราบังคับจิตได้และในที่สุดก็จะไม่ได้เห็นไตรลักษณ์อันเป็นสิ่งสาคัญในการวิปัสสนาเพื่อจะรู้เห็นสิ่งนี้ กลายเป็นผลเสียอย่างมากที่จะขวางความเจริญขวางไม่ให้พ้นทุกข์ไม่ให้บรรลุธรรมได้ธรรมะเป็นสิ่งลึกซึ้งที่ต้องอธิบายกันมากพอควรนะครับและต้องปฏิบัติกันจริงจังการจะอธิบายสั้นๆคงทําได้ยากครูบาอาจารย์ที่ท่านภาวนาผ่านแล้วบางครั้งท่านพูดกับสิทธิตรงหน้าท่านคงอธิบายละเอียดไม่ได้เพราะมันจะยากและต้องใช้เวลานานมาก ยังไม่รวมกับเรื่องปลีกย่อยของจุดมุ่งหมายเวลานั้นว่าต้องการฝึกให้เกิดความสงบเป็นหลักหรือฝึกเจริญปัญญาเป็นหลักการสอนบางครั้งเดิบางคนต้องโรบรัดตัดตอนให้หายสงสัยหรือเพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุดเพื่อจะได้ตัดกังวลทั้งหมดแล้วมุ่งหน้าเข้าหาการภาวนาในขั้นต่อไปตามลำดับนะครับยังไม่นับกับบางท่านต้องใช้คําดุแรงๆเพื่อให้ตัดสงสัยเป็นยาวแรงที่เหมาะกับบางคน เพื่อให้อยู่ในทางที่ตรงที่ถูกต้องให้ได้สำหรับบางคนนะครับบางทีไม่พูดหรือไม่ด่าก็สงสัยอยู่นั่นรั้นพูดละเอียดก็ยังสงสัยไม่เลิกรู้ตรงนี้ก็สงสัยตรงอื่นต่อเรื่องพวกนี้เป็นเฉพาะบางคนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับดังนั้นบางทีไปสอนกลุ่มนี้เขามีจริตปัญญาวัศาสนาบารมีแค่นี้อาจพูดแค่นี้พออธิบายมากไปก็ไม่เกิดประโยชน์ จึงอาจมีคำสอนในบางที่ที่ท่านสอนเฉพาะกลุ่มแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนอื่นจะเอาไปใช้ตามได้หรือยึดว่าเป็นที่สุดของความจริงแล้วเป็นคำสอนหลักของท่านแล้วเพราะถ้ายึดถือแบบนี้ก็จะเท่ากับลุงพ่อเปลี่ยนท่านสอนผิดหลักสำคัญของพระพุทธศาสนานะครับที่บอกเสมือนว่าจิตเป็นของเราต้องควบคุมได้น่ะสิหากใครที่มีฟังคาสอนในคราวอื่นของท่านฟังแค่เนี้ยรับรองได้ว่า จะเกิดความเข้าใจผิดอย่างมากรวมถึงคนที่ไม่ศึกษามาจริงก็จะพลอยปรามาลุงพ่อว่าสอนผิดเข้าใจหลักผิดไปจนไม่ยอมฟังคําสอนอื่นหรือไม่เชื่อถือคําสอนของท่านไปเลยก็เป็นได้นี่คือปัญหาใหญ่ที่ผู้อ่านที่ได้จัดทําสิ่งงานธรรมะมานานได้พบเจอนะครับในหนังสือและคําสอนหลายแห่งที่มักจะไม่มีการอธิบายเสริมเหมือนจานวนจํานวนมากในพระไตรปิฎกนะครับที่เป็นคําเปรียบเทียบ หลายจุดก็ยังไม่มีการอธิบายหรือปลได้ตรงนักจึงอาจทำให้คนอ่านรุ่นหลังเข้าใจผิดไปได้นี่ยังไม่นับกับการพิมพ์ผิดเว้นวักเว้นย่อหน้าผิดกันเยอะมากนะครับคนที่ศึกษามาดีอ่านก็เข้าใจได้แต่ห่วงคนรุ่นหลังในอนาคตที่ไม่ได้มีเวลาศึกษาให้ละเอียดจริงก็มีโอกาสเข้าใจคลาดเคลื่อนได้อย่างมากยกตัวอย่างนักวิชาการที่เขียนบทความกล่าวหาว่า พระพุทธเจ้าไม่ใช่สับพันยูเพราะมีการทำนายไว้เดิมว่าศา ส, สนาจะสิ้นใน500ปีและภายหลังคณะสงฆ์กลัวกคนจะกล่าวหามองว่าพระพุทธเจ้าไม่เก่งจริงจึงเปลี่ยนเป็น 5,000 ันปีซึ่งผมเองก็ได้แต่สลดสังเวชสมเพศใจกับนักวิชาการพวกนี้นะครับที่ยังคิดว่าตัวเองเรียนสูงเข้าใจโลกเก่งกาจรู้ดีกว่าพระศาสดากล้าวิจารณ์พระไตรปิฎกทั้งที่คาศั์ง่ายๆก็ยังไม่เข้าใจ ยังมากล่าวตูพระพุทธเจ้ากันได้ขนาดนี้เพราะคำว่าห้าร้อยปีในพระไตรปิฎกนั้นเป็นสำนวนที่แปลว่ามากซึ่งอาจเป็นแสนเป็นล้านปีก็ได้เป็นสำนวนว่ายาวนานระดับหนึ่งคล้ายคำว่าโจรห้าร้อยที่ไม่ได้มีห้าร้อยคนแต่เป็นโจรที่โหดเยี่ยมมากจึงต้องขอฝากถึงผู้ใส่ใจศึกษาธรรมทุกท่านนะครับก่อนจะปักใจเชื่ออะไร ควรศึกษาให้รอบรู้จริงและปฏิบัติให้เข้าถึงก่อนด้วยคนจะวิจารณอาหารได้ดีจริงต้องทำอาหารเป็นและอร่อยด้วยไม่ใช่รู้แค่ส่วนประกอบเท่านั้นฝากไว้อีกว่าคำแปลไทยในพระไตรปิฎกนั้นยังไม่สมบูรณ์นะครับยังต้องแก้ไขต้องอธิบายกันอีกมากอย่าพึ่งยึดถือเป็นจริงจังการจะยกมาอ้างอิงต้องยกมาด้วยภาษามาคตหรือที่เรียกว่าบาลีมคตเท่านั้น แล้วพอจะแปลเป็นไทยก็ต้องแตกฉานจริงไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นเข้าใจผิดคล้ายเรื่อง500ชาติหรือ500ปีนั่นเองเรื่องนี้จะไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าปฏิบัติจ น, จนจิตผู้รู้ตื่นเห็นไตรลักษณ์ของจิตนิชัดในระดับแรกก่อนและจะดียิ่งขึ้นถ้าได้เห็นชัดว่าในทุกสรรพสิ่งแม้แต่ในไม้หินภูเขามีพลังงานแฝงอยู่ ทั้งจักรวาลนี้ก่อเกิดมาด้วยพลังงานแฝงนี้ซึ่งอาจารย์พรรัตนสุวรรณผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกท่านเรียกว่าวิญญาณแฝงนะครับอ้าเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วจะเห็นได้ชัดว่าทุกสิ่งไม่มีจริงไม่เป็นตัวตนต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างไรซึ่งตรงกับหลักทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้นะครับว่าวัตถุที่จับต้องได้นั้นที่แท้ก็แค่กลุ่มพลังงานที่เจาะลึกลงไปแล้วก็มีอิเล็กตรอนโปรตอน อยู่ในทุกอะตอมมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาจำนวนอิเล็กตรอนที่ต่างกันจึงกลายเป็นธาตุต่างกันแต่ถ้าแยกทุกสิ่งออกมาแล้วก็หาความเป็นตัวตนเป็นธาตุนั้นไม่เป็นการมารวมกันอยู่ชั่วคราวในทุกสปปรรพสิ่งนั้นมีการไหลเวียนเกิดดับอย่างรวดเร็วมหาศาลอยู่ภายในจึงกลายเป็นสิ่งหลอกให้เราเข้าใจว่านี่คือไม้นี่คือหินนี่คือเหล็กเรจาจับต้องแล้วคิดว่ามันเป็นวัตถุที่นิ่งสนิท แต่กลับมีการไหลเวียนอยู่ภายในตลอดเวลาเหมือนแสงไฟที่มองว่าเป็นแสงนิ่งๆิ่งแต่ความจริงคือการกระพริบถี่เร็วมากเกิดดับนับครั้งไม่ท่วนถ้าเข้าใจเรื่องนี้จริงก็จะเข้าใจได้ไม่ยากว่าอิทธิปฏิหารนั้นเกิดได้จริงไม่ใช่สิ่งเพลเจอร์เหลวไหลแต่อยู่ในหลักวิทยาศาสตร์นั่นเองหากมีใครเข้าถึงพลังทางจิตในระดับสูงจนแยกอิเล็กตรอนโปรตอนออกมาได้ และไปรวมตัวกันอีกที่หนึ่งการเดินทางเคลื่อนย้ายของในเวลาพริบตาก็เป็นไปได้หรือแม้แต่การเพิ่มลดอิเล็กตรอนเข้าไปจากหินธรรมดาก็เปลี่ยนเป็นธาตุอื่นได้แต่สิ่งเหล่านี้หาคนทำได้จริงได้ยากมากถึงมากที่สุดและคนที่ทำได้ส่วนใหญ่ท่านก็จะเก็บตัวไม่เอามาโชว์วางเรียกลาบยศชื่อเสียงเพราะถ้าจิตมีความโลภไม่นานชาญก็เสื่อมพลังจิตก็จะไม่คลัง ทำและแต่เรื่องใสดําที่ให้ผลชั่วคราวและส่งผลเสียสะท้อนกลับหาตัวเองในที่สุดยิ่งเป็นพระก็ยิ่งต้องเก็บตัวนะครับเพราะมีพระวินัยห้ามชัดเจนห้ามแสดงฤทธิ์ทั้งนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าท่านไม่ได้ห้ามการใช้ฤทธิ์เพื่อช่วยคนเมื่อยามจำเป็นจริงๆยกตัวอย่างพระอาหารหันตาสาวกในสมัยพุทธกาลใช้ฤทธิ์ช่วยคนจกโจรร้ายท่านไม่ถือเป็นการแสดงฤทธิ์ตามวินัยที่ห้ามไว ตัวอย่างที่พอจะเปรียบเทียบได้เช่นเหมือนพระห้ามขับรถจุดประสงค์ท่านไม่ต้องการให้โลกตีเตียนและเพื่อความสง่างามของหมู่สงฆ์มันดูไม่งามไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดในวัดมีรถและมีคนป่วยใกล้ตายและมีพระนั้นขับรถได้คนเดียวและพระนั้นได้ขับรถไปส่งคนป่วยไปโรงพยาบาลย่อมเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งอันนี้แค่เปรียบเทียบนะครับอาจจะไม่ตรงสัทีเดียว เจตนาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ห้ามคือการแสดงเพื่อหวังลาบยศหวังการสรนเสริญบูชานับถือหรือเรียกศรัทธาแต่คราวจำเป็นจริงๆแม้แต่เพื่อดัดสันดานสิทธ์เพื่อให้อยู่ในศีลในธรรมเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นคราวไปทุกสิ่งต้องประกอบด้วยการเล็งผลที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับเจตนาล้วนที่หวังผลเพื่ออะไรเป็นสำคัญซึ่งปัจจุบันคนสับสนเรื่องพวกนี้กันมากนะครับ ก็เพราะไม่ศึกษาให้ละเอียดหรือจับแค่บางจุดมายึดถือโดยไม่ดูข้อยกเว้นหรือข้อปลีกย่อยที่เหมาะกับจริตวาสนาปัญญาบา ร, รมีท้องถิ่นที่ต่างกันไปแต่ก็อีกนะครับก็เพราะข้ออ้างเหล่านี้แหละที่ทําให้คนชั่วอ้างเพื่อทําชั่วทําผิดวินัยได้มากมายโดยอ้างข้อยกเว้นที่ท่านมีไว้สําหรับผู้มีศีลมีธรรมเท่านั้นธรรมะเป็นสิ่งที่จะว่ายากก็ยากจะว่าไม่ยากก็ไม่ยากนะครับ อยู่ที่การสะสมปัญญาบารมีภาคเพียรแค่ไหนจําเป็นต้องใส่ใจขยันศึกษาปฏิบัติด้วยไม่ใช่แค่ท่องจําหรือรู้แค่บางส่วนลาจะคิดว่าจะเข้าใจได้ง่ายแต่เป็นวิชาที่ต้องใช้กันทั้งชีวิตหลายภพชาติกว่าจะเข้าใจได้จริงจึงควรใส่ใจและอย่ามองข้ามเพื่อไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้จริงในงวันหนึ่งซึ่งจําเป็นมากสาหรับทุกชีวิตที่ต่างก็มองไม่ค่อยเห็นและน้อยคนจะใส่ใจว่ามันสําคัญกว่าทุกสิ่งในชีวิตแค่ไหน ดังมีพุทธพจน์ตรัสไว้ประมาณว่าแม้มีไฟไหม้บนหัวอยู่ก็ให้รีบขวนขวายเพื่อการบรรลุธรรมให้ได้เพราะไฟไหม้ก็แค่ตายแต่ถ้าไม่บรรลุธรรมก็จะหมายถึงการเสี่ยงลงอบายทุคติวินิบาตนรกอันทรมานแสนสาหัสกว่าไฟที่กำลังไหม้หัวอยู่นั่นเองนี่เป็นการเปรียบเทียบในคำสอนไม่ได้หมายความว่าถ้าไฟไหม้แล้วจะปล่อยให้ไหมอยู่อย่างนั้น แต่เป็นคําที่พูดและเห็นภาพชัดเจนมากการศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมให้ได้ในชาตินี้จําเป็นและดีต่อพวกเรามากแค่ไหนแต่ศึกษาแล้วก็ต้องไปในทางที่ถูกซึ่งก็น่าสงสารคนยุคนี้มากนะครับเพราะนอกจากน้อยคนที่จะจริงจังกับการศึกษาปฏิบัติพอมาศึกษาปฏิบัติต่างก็กว่าจะหาคําสอนที่ตรงกับจริตของตัวเองได้คําสอนผิดพาหลวงทางก็มีอยู่มากมาย ทั้งที่สอนผิดจริงกับที่อ่านหรือฟังแล้วตีความผิดไปเองก็นับไม่ถ้วนจึงเปรียบเสมือนพวกเรากําลังเดินอยู่ท่ามกลางอสรพิษร้ายที่ยากจะฝ่าฟันไปถึงจุดหมายได้โดยง่ายเลยท่านที่กําลังฟังอยู่นี้ทุกท่านก็ขอให้ปลื้มใจในวาสนาของท่านเองนะครับว่าอย่างน้อยท่านก็เป็นคนจํานวนน้อยมากในจักรวาล น, นี้ที่ได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและได้สนใจใส่ใจในบุญกุศล ฟังธรรมรวมเผยแพ่ธรรมมีความสนใจจะปฏิบัติธรรมมาถึงเพียงนี้จึงขอฝากข้อคิดทั้งหมดนั้นไว้ให้ทุกท่านพิจารณาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนภาคเพียรก้าวไปด้วยกันในเส้นทางสู่ความพ้นทุกเส้นนี้ขอทุกท่านเจริญในทางกุศลพ้นทุกภัยทั้งปวงด้วยเถินอริยคุณพุทธธรรม โจโฉเสียงธรรมชมรมผลดีตุลาคมพุทธศักราช2564สัพพธานังธรรมธนังชินาติการให้ธรรมะชนะ ก, การให้ทั้งปวงร่วมจัดทรรมโดยครอบครัวงามสุริยพงษ์จันทนาสระสืบคุณสวนณีสายศิลจักพันทิพวารินกันนิกาสิงแก้วเกษรินเรืองชาวลีครอบครัวอ่อนอินครอบครัวโถสกุลอังคนามนทาทิพกุลครอบครัวชัยรัต ณยนุชอินทนินนภพัฒสุขศรีสุพิตรกิตาจตุระโชควรรณกรเมธาธิตกรชัยอากิราแซเตอร์ปุณวันประสานกกวรัญชยาศักชัยเมธีและขออนุโมทนากับท่านที่มาประสงค์ออกนามทุกท่านด้วยนะครับขอทุกท่านเจริญในทางเป็นกุศลอยยิ่งขึ้นไปสนใจสร้างมหาธรรมทานร่วมกันดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์จ o net โจโฉภาษาไทยนะครับ net หรือ net